พอการเพื Molly, you you ่อนท่านนี <ệt mi> ้แล้วก็เจริญในธรรมมนคิดระยะที่ทำถุดท่านนะก็คุยอ่าพุดคุยธรรมะเพิ่มะบางคนก็เข้าใจเยอะแล้วแหละนะมาทำหลายหลายครั้งหลายคราวนะได้ฟังบ่อยๆบางคนก็เป็นผู้เพิ่งเริ่มใหม่นะแต่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่อง กายตัวของเราเนะธรรมะก็คือเรื่องเรื่องของกายเรื่องของใจนี่แหละนะเราเพียแต่ว่าเราไม่เราอยู่กับเขาแต่เราไม่รู้จักเขาเห <c ười> <ừ. S 2> มือนคล้ายมันมีสมุนไพรอยู่ใกล้ใก้บ้านใกล้ใก้ตัวเราแต่เราไม่รู้สรรพคุณเขาว่วาเขาเป็นยารักษาอะไรเนาะ เราก็เอาสมุนไพรเหล่านะั้นมาใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นะบางทีคนไม่ไปตามเทคโนโลยีมีมือถือมีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์ใช้ไม่เป็นนะก็ก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันมีของอยู่ใกล้ใกล้ตัวเราแหละแต่เราไม่รู้วิธีใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ จิตใจกับร่างกายก็ก็เช่นเดียวกันนะมันอยู่กับเราอยู่แล้วนะอันนี้แหละคือตําราเล่นใหญ่พระไตรปิฎกเล่นใหญ่นะพระไตรปิฎกนะกว้างศอกยาววานาคืออนะไะคือพระไตรปิฎกของจริงนะพระไตรปิฎกแปดสิบเล่มบ้างสี่สิบห้าเล่มบ้างนะอันนั้นยังเป็นพระไตรปิฎกที่ ที่เป็นสมมุติน่ะนะไม่รู้แปลนะถูกต้องขนาดไหนนั้นเราก็ไม่รู้นะแต่ก็ดีที่มีให้เราได้เทียบเทียมแต่พระได้ปิฎบของจริงนี่แหละนะธรรมะพูะเจ้าทั้งหลายน่ะออกมาจากนะร่างกายนี้จิตใจนี้ทั้งนั้นนะไม่ต่างจากกันนะแล้วแต่ต่อใครว่าใครก็เท่าเท่านั้นแหละนะ อาจจะกว้างกว่กันบ้างยาประกันบ้างแต่ก็ของใครของมันก็เท่านั้นเพราะที่จริงแล้วนะกายนะเขาก็แสดงความจริงให้เห็นนะว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์เพราะาอะไรใพในพระเจ้าบอกว่าการเกิดทุกข์่าวเป็นทุกข์ร่าไปนะแต่เราเกิดเราดีใจเนาะมันก็เด็กก็น่ารักกันนะใช่ไหมอ่อตั้งท้องตวันนานนะ พ่อแม่ก็รุ้นดีใจที่ที่ลูกเกิดมาไม่เสียชีวิตก็ก็ดีใจนะแต่ทำไมเด็กเกิดมาแลรวลองไห้ไม่รู้นะหรือว่าอยู่ในท้องมันสบายกว่าออกมาข้างนอกแล้วมันรู้ว่าต้องเจอทุกข์แน่เลยร้องไว้ก่อนนะร้องไห้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขาออกมาเขาก็จากท้องแม่เขาก็ทุกนะทุกเพราะความต้องผ่านนะประสบการณ์นะ ตรงนั้นแต่ที่จริงตรงนั้นมันก็ทุกนะมันทุกกายไปเรื่อยๆแล้วนะมันก็แก้ไขกันไปรับตากตันไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันทุกจริงๆก็คือว่ามันต้องเจกับความทุกข์ใจนะไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นคนชาติไหนนะนะเกิดในฐานะอะไรก็แล้วแต่เราหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตาย เราหนีไม่พ้นการพัดภาคสูญเสียจากของรักก็ดีจากคนรักก็ดีนะเราหนีไม่พ้นจากการที่ต้องเจอสิส่งที่ไม่ถูกใจนะหรือเราหนีไม่พ้นจากการปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นนะไม่ใช่ว่าเรามีอํานาจน้อยนะเราปรารถนาเราไม่ได้นะคนมีอํานาจมากขนาดไหนก็ไม่ได้สรงวังทุกประการหรอกนะฮะอันนี้คือ เราไม่สามารถที่จะควบคุมจัดการสิ่งาตางพวกนี้ได้ดังนั้นการเกิดก็มันเป็นทุกข์เพราะว่าตรงนี้แหละเราต้องเจอกับความพลาดพลาดผื่เสียเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจนะหรืออยากจะได้สิ่งที่เป็นที่พอใจก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่แต่คนตัดอื่นๆก็เป็นเช่นกันนะหรือแม้แต่ เทวดานางฟ้าปร ม, มโรุก็ก็เป็นเช่นเดียวกับเรานะอาจจะต่างกันบ้างนะแต่จริงมันจะมีจริงหรือเปล่านะั้นเราก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้รนะใจเราเปลี่ยนทั้งวัน <c oughs> ใช่ไหมบางวันเราก็ใจดีมีความสุขถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า <c oughs> ใช่ไหมวเวลาไปช่วยเหลือใครเวลาเราไปทาบุญ เรามีความสุขอันนาแหละที่จริงเราเป็นเทวดาแล้วเราเป็นนางฟ้าแล้วบางครั้งเราก็สงบนิ่งปล่อยวางนะแล้วก็เป็นพรมล้วนะเป็นพรมบางครั้งเคยเป็นเตป์ไหมเคยเป็นเตปะอยากจะได้อยากจะได้นะก็เป็นเป์และบางครั้งเราก็เป็น เป็นยักษ์เป็นมานะโกรธโมโหนะที่จริงยักษ์จริงๆคือพวกเจ้าคิดถิเจ้าความคิดเจ้าแค้นเจ้าหลักเจ้าการต่างๆนี่นหรือบางครั้งเราก็ตกนรกนะนอนนั่งยูนในห้องแอร์นะแต่ตกนกรกคุัจำไหมข้างนอกดูเย็นสบายแต่ข้างในเล่าร้อนเป็นทุกข์นอนไม่หลับอ่า กินไม่อร่อยข้ะที่มีอาหารเต็มโต๊ะอ่ามีเงินเต็มสามารถซื้ออะไรก็ได้ะแต่เราก็เป็นทุกข์ได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่พบภูมิต่างๆนะเป็นเรื่องของการเกิดการดับในจิตใจนี่แหละน่อย่างที่พูดไว้เมื่อตอนกลางวันนะที่หลวงพ่อบอกว่านะจิตมันตำสอนนะมันเป็นโซเฟนีจิตเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละ บางทีก็ฝึกโต่งไปด้านบวกบางทีก็ฝึกโต่งด้านลบบางทีก็กลับมาเป็นปกติเป็นกลางกบ้านจิตตัวนี้ยมันเป็นไปได้สารพัดนะสารพัดอย่างนะแต่เราจะฝึกอย่างไรนะให้เราไม่ตกเป็นทาสตามอำ น, นาจของจิตใจตรงนั้นนะ่ะอันนี้คือคือการฝึกนะ เราหนีไม่พ้นแน่นอนความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นจากการทักทากสืนเสียหนีไม่พ้นจากคำลินทานะหรืออะไรต่างๆเราหนีไม่พ้นแต่ตัวที่พ้นจริงๆคือตัวจิตนะบางคนบอกว่าไปทำบุญเพื่อเพื่อแก้กรรมนะกรรมพระพุทธเจ้าจไม่เคยสอนเรื่องการแก้กรรม แต่พระเจ้ า, าอสอนเรื่องการพ้นกรรมต่างกัน <c oughs> มันกรรมทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้น ะ, นะ <c oughs> กรรมก็คือการจะทาอ่ะเราทำไรไปแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกนะมันทำไปแล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วมันแก้ไม่ได้แต่มันพ้นทุกในเรื่องกรรมได้ <c oughs> พ้นในที่นี้นะการบางอย่างมันก็ได้รับทุกทางทางร่างกายนะอันนั้นอาจจะหนีไม่พ้น แต่การที่เราหนีพ้นคือทุกทางใจเนาะทุกทางใจนี่แหละนะมันหนีพ้นโดนคนตีโดนคนด่าเนี่ยหนีไม่พ้นเจ็บเจ็บกายจะยินแน่นอนแต่เราไม่ทุกทางใจเนี่ยเราเราทำได้ทำแบบไหนก็แค่รู้ตามความเป็นจริงพอเรารู้นะเช่นมีเสียง เขาด่ามานะถ้าเรารู้เฉยๆนะแม่เตัวเราเข้าไปยึดเนะี่ยเขาก็ด่าไม่ถูกเรานะ <c oughs> แต่เราไม่รู้เราก็เลยคิดว่าเป็นเรามีหลวงพ่อตุอน่นนึ่งนะชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อปฏิบตนะิวัดถ้ำเย็บเย็บติ่นชนบุีตอนนี้ท่านก็มรณะภาพแล้วแหะแต่ตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ท่านอยู่เกาะติชังเนาะเกาะติชังก็ มีมีคนไม่ชอบท่านนะอยู่ใกล้ๆวัดนั่นแหละก็ไม่ชอบท่านผมอยากจะได้ที่ผงวัดมามาทํามาหากินเนาะก็ด่าท่านตั้งแต่สร้างวัดใหม่ๆนั่นแหละมีวันหนึ่งท่านก็ไปบินส บ, บาทไปบินส บ, บาทก็มีลูกติดตามไปด้วยนะโยนนี่ก็ด่าท่านนั้นแต่ออกมาจากวัดนะดา่านะสาดเทสสาดเสียเทสเทสเีย ท่านก็เดินไปบินธบาตกลับมาแล้วก็เจ็บเข้าวัดก็ผ่านหน้าบ้านเขาอีกครั้งเขาก็ตั้งฟ้องด่าดเหมือนเดิมแต่คราวนี้ท่านไม่ต้องดีบนะไม่ต้องโยงไม่ต้องรอใส่บาตรท่านท่านก็เลยเดินไปหาเขาเดินไปหาคนที่ด่านั่นแหละนะไปจับแขนเขาอืแล้วก็ถามมึงดา่าใครมึงดา่งาใครโยคนนั้นก็บอกว่าก็ด่ามึงนั่นแหละออ ท่านก็บอกเออดีแล้วด่ามึงอะไรดีแล้วอย่ามาด่ากูแล้วกันท <c ười> ่านจะเดินหนีออกกลับเขาไปที่วัดไอ้คนที่ด่าต้องงงก็ด่ามึงนะแต่เขาแต่ท่านไม่รับว่าด่าท่านนะท่ว่าด่ามืออะดีแล้่อย่ามาด่ากูแล้วกัน <c ười> <c ười> ก็แน่แหละคืออะไรเราไม่รับคําด่ามาเป็นเรานาะมันก็มีทุกจ้ะไหมแต่ ก็เราหลงเนี่ยแหละเราก็เลยคิดว่าเขาด่าเรานะแต่บางทีทุกตอนแรกเนี่ยมันก็ถือว่าโง่แล้วนะแต่ที่มันโง่ตาม อ, อีกคือพอเรากลับมาที่บ้านกลับมาที่วัดหรือผ่านไปอีกต้องมาหลายวันหลายเดือนนะเราก็ยังย้อนกลับมาคิดอีกนะใช่ไหมเรา็ยังย้อนกํบับห้คิดในคาด่าเขาสิ่งที่เรา อไม่ชอบสิ่งที่เป็นทุกข์นะอันนี้ใครทำํำแต่จะว่าเขาทําหรือว่าเราทำํำ <c oughs> ใช่ไหมเราเราเอามาทําอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเรากลับมาทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยทําให้ตัวเองทุกข์ใจนะพระอาจารย์ไพศาลนะท่านก็เปรียบเทียบดีนะท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเหมือนคนเอามีดแทงเราอะ่ะดอกแรกนะแทงศูนหน้าอกเรา แล้วเราก็เขามีดของ ม, อมาแทนได้องอีกคือเราย้าคิดคงที่สองย้าคิดคงที่สามก็เหมือนแทนไปเองอีกก็เลยทตอนแรกมันก็มีแผลแค่ครั้งเดียวนะแต่เราก็มาแทนไปเองเป็นแผลอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หลนะ่ะนี่คือพอเราไม่รู้ตัวเราก็เหมือนเอามีดมาแทงไปเองนะมีตัวนี้ก็คืออะไรความคิดนะความคิดที่เราย้าคิดย้ำทำนะ บางอย่างมันก็เป็นความไม่ตั้งใจคิดแต่พอเราไม่รู้ตัวเราก็เลยผสมงมกับความคิดนะมันก็เลยเกิดความทุกข์นะอันนี้แหละสติจะเข้าปิดตัดตรงนี้นะนะไอตัวไปตัดคนด่าเนี่ยตัดไม่ได้แต่ตัดความคิดที่ที่ไม่พอใจตัดความคิดที่ไปปรุงแต่งว่าจะเอาคืนมันอย่างไรนะสติจะไปตัดตรงนี้นะ ตัดแล้วมันก็หลุดหลุดมันก็ขาดมันก็มันก็จบแต่บางครั้งถ้ามันยังไม่ถึงขั้นตัดที่เหตุมันก็เหมือนตัดหญ้าตัดหญ้าก่อนหญ้าตัดตีกันแล้วอีกสักเดือนนึงก็ต้องตัดใหม่เพราะมันงอกขึ้นมาใหม่ความคิดบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เรามีสติมันก็เหมือนตัดไปครั้งหนึ่งแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ แต่สติก็ตัดใหม่เกิดขึ้นอีกก็ได้แล้วก็ตัดใหม่เจนทั้งมันเห็นจริงๆว่าไอ้ตัวที่มันเป็นรากเงาของความทุกข์คืออะไร่ะมันถึงถอนรากถอนโคนมันนะแต่แรกๆเหมือนตัดตัดตัดไอ้ข้างบนก่อนมันยังไม่เห็นถึงรากถึงเงาจริงๆแต่มันก็ยังดีมันไม่ล้มมันไม่ล้มากตัดไปก่อนอะนนั้นพว่งโยมบางทีปฏิบัติธรรมแล้วบางที อาจจะเกิดความคิดเรื่องเดิมๆซ้ำอีกแล้วหรือว่าอาการคล้ายๆเดิมซ้ำนะเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นคนนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนคนนั้นแต่ก็ไม่พอใจคล้ายๆกันอาจจะซ้ำมันก็เป็นธรรมดานะแต่เราก็ถ้าเรารู้มันก็เหมือนตัดทีละครั้งทีละขณะทีละขณะทีละขณะขไปแต่มันก็เป็นการฝึกให้เราได้เห็นให้เรารู้ทันว่าอ๋อ อาการไม่พอใจคือแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งแรกเราจะรู้ได้ช้าแต่พอครั้งหลังๆเราจะรู้ได้ได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นแต่ก่อนเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่พอใจเรารู้ตั ว, วตอนที่มันโกรธแล้วแล้วเราก็มักจะโกรว่าทําไมเคยฟังมาว่าถ้ามีสติรู้ทันความโกรธความขูธก็จะหายไปแต่ทําไมมันไม่หาย เพราะว่าเราไปรู้ทันตอนมันโตแล้วนะเหมือนเรารู้ทันตอนไฟไม่เยอะแล้วไบขีดน้ำตับไฟไม่มันไม่ดับอ่ะใช่มมันกำดังมันไม่พอนะอันนี้คิงเหมือนกันเราไม่รู้ทันตอนมันไม่พอใจเรามาเห็นอีกกี่ก็ตอนมันโกรธแต่เห็นแล้วมันไม่ดับที่จริงมันไม่ดับเพราะเพราะเราไม่เห็นอย่างซื่อๆมากกว่านะถ้าเรารู้อย่างซื่อๆ มันโกรธมันก็จะหายโกรธได้แต่เพราะว่าเราดูแล้วเราเจือด้วยความว่าอยากให้มันหายอะไรนะพอเราเจือว่าอยากให้มันหายหรือว่าเราอาจจะเจือด้วยการโกรธตัวเองที่เผลอโกรธมันก็เลยคล้ายๆแทนที่จะเป็นการดับความโกรธก็เป็นการเพิ่มความโกรธนะเหมือนเราโยนฟืนเข้าไปหรือราด น, น้ำมันเข้าไปในกองไฟอีกครั้งหนึ่งนะแทนที่มันจะดับนะ มันยิ่งทุกขกว่าเก่าสัางเกตมไหมบางทีเราโกรธต้องทาไมเรารู้สึกรึกอัดแต่ถ้าเราได้ตามันรู้สึกสบายแต่ถ้าไม่ได้ตามันยึดอัดเพราะอะไรเพราะเราพยายากดข่มมันไว้เนข่มมันไว้เนี่ยข่มมันไว้มันไม่ใช่วิธีอตัดหรือวิธีดับจริงๆแต่มันยิ่งขม่มก็ยิ่งหนักน ะ, นะขม่ม มันก็ดีที่ไม่ไปด่าเขาไม่ไปทำลายเขามันก็ดีในระดับใกล้เคียงกับคําว่ามีสินนะสินโดยพันสิลโดยกายแล้วก็วรรจาร์นะไม่ไปเบี่ยนเรืเ่องคนอื่นมันก็ดีในแง่ขันตินะแต่ขันติมันก็เป็นทุกข์เข้าใจไหมเราโง่อารมณ์ข่มความอยากข่มความโกรธอะไรไหม น, นะมันก็เป็นทุกข์นั้นขันติก็ใช้ได้ใช้ อย่างน้อยก็ไม่ให้มันมีเรื่องซ้ำซ้อนเข้าไปที่นี้ต่อนื่องมันจะยุ่งกับเรานะไปด่าเขาแล้วมันก็แก้ไม่ได้ไปัตีเขาแล้วก็แก้ไม่ได้แต่ตัดได้ก่อนนะข่มได้ก่อนสมมติถ้าใครไม่ทันเนาะแต่ข่มแล้วทนะ่านสติเราไม่พอเราก็มาสร้างสตนะิไอ้ที่มันโกรธอยู่อย่าเพิ่งไปคิดว่าอะไรมันจะหายเรามาต้างสติเรียกสตินะเรียกสติ เรียกสติก็คืออะไรนะก็จะรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะเรามามีสติคลิกมือก็ดีหายใจก็ดีอะไรก็แล้วแต่เรียกสติกันมาก่อนอคล้ายๆเหมือนเรียกเพื่อนมาช่วยดับไฟเราดับคนเดียวไม่พอก็เรียกเพื่อนมาช่วยดับนะมาช่วยกันเอาน้ำมาตาดหน่อยอพอสติมาเยอะๆก็เหมือนมีพวกเยอะขึ้น ความโกรธมันก็จะค่อยๆตัวเราตัวเราตัวเราจะเัิ่มดับไปได้อันเนี้ยนี่คือโทสะมันก็ดับมาตรงนี้ความอยากก็เหมือนกันบางอย่างก็ข่มไว้ก่อนแต่พอเรารู้ทันมันก็อืมคอ่ค อ, ยคอยๆค่อยๆจืดค่อยๆจางแต่นี้มันคือเป็นการแก้แบบชั่วขณะน ะ, นะชั่วคราวแล้วก็บนเวียนซ้ําไปซ้ำมาแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะ ใช้ได้ใช้ได้อยู่แต่สิ่งที่มันจะแก้ได้ได้ถาวรขึ้น น, น <ะ S 1> คืออะไรท <นะ S 1> ี่เราป้องกันไว้ก่อน <c oughs> ป้องกันไว้เรคืออะไร <c oughs> คือเรามาตอนที่เราไม่มีอารมณ์อะไรนะ <c oughs> เร า, าป้องกันเตรียมไว้ก่อนคือมาสร้างสติไว้ก่อน <c oughs> สร้างสติไว้ก่อนคล <c oughs> ้ายๆเตรียมน้ําไว้พร้อมแล้ว ไฟมันจะไหม้เหรอพอไฟปุ๊บไหม้ปั๊ บ, บน้ําเราพร้อมดับทันทีคือเราเตรียมความพร้อมสติจากการการะทำทุกอย่างไว้ก่อนพอเกิดความไม่พอใจขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นได้เร็วเมื่อเห็นได้เร็วมันก็ดับทันทีหรือเมื่อเกิดความอยากขึ้นสักหนึ่งเรารู้ทันแล้วสติรู้ทันก็ความอยากก็หายไปทันทีอันนี้คือข้อแรกเราเตรียมความพร้อมไว้ เมื่อเราเตรียมพร้อมไว้มันก็ใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปรอสร้างนะเพราะเราพรอมไปแล้วอันนี้แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าเราเกิดปัญญาเห็นว่าอไออาการต่างๆเองมันก็เป็นแค่แค่สภาวะเฉยๆนะดูเฉยๆก็พอไม่ต้องทําอะไรนะแค่ดูเฉยๆนะ ความโกรธเป็นสิ ã, como, ่งที yoga, ่ถูกจิตเข้าไปรู้ความอยากเป็นสิ่งที่ถูกจิตที่เข้าไปรู้อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเป็นเพียงแค่อาการที่ที่จิตเข้าไปรู้เฉยๆนะไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะเราก็เพียงแค่รู้เฉยๆนะมันคล้ายๆเหมือนถ้าเปรียบเหมือนคล้ายๆเหมือนอะไรปลิวมาก็แล้วแต่นะสมมตินุ่นปลิวมา เราไม่ไปรับมันก็ไม่ถูกเรานะขาโยนลูกบอลใส่มาเราบกออกมามันก็ไม่ถูกเราก็คือเราไม่รับว่าความคิดนั้นอารมณ์นั้นมันเป็นเรามันก็ตกไปมันก็หายไปมันจะเห็นอะไรเห็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราจะเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นที่ใจตั้งอยู่สักพัก พอรู้ทันแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็เห็นความสงสัยสงสัยเกิดขึ้นจากอะไรจากปกติที่ไม่มีอะไรแล้วก็ผุดขึ้นมาคิดสงสัยก็ไม่รู้นะพอมันเกิดขึ้นเราไม่ไปคิดหาคําตอบกับมันถ้าตามันก็ดับไปนะเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะเห็นเปี่ยนเพียงแค่อาการที่มันเกิดดับทั้งกายทั้งใจนะเหมือนกันปวดขา ดูไปสักพักเดีมันก็ดับนะแต่หิวมันก็อาจจะไม่หายมันไม่ดับมันต้องกินแต่อาการที่ธรรมชาติหลายๆอย่างมันก็มันก็เกิดดับของมันเองนะแต่อาการที่มันชัดคืออาการทังใจครับอาการทางใจเนี่ยถ้าเราดูเฉยๆเราจะเห็นมันเกิดดับทั้งวันทั้งวันทั้งวันจะให้ไม่หลงมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยของเรานักต้องเข้าใจตรงนี้นะ ไม่ใช่วิสัยของเราคือเราไม่ใช่เป็นผ้าาหารเมื่อไม่ใช่ผ้าาหารแล้วจะให้มันไม่หลงไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีเชื้อของความไม่รู้ความจริงนะนั้นมันต้องหลงนะแต่หลงแล้วมันจะหลงเป็นนานนะหรือเปล่าอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติน ะ, นะหรือทุกทุกมากหรือทุกน้อยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเรา ถ้าเรามีส ต, ติมันก็หลงไม่นานถ้าขาดสติตก็หลงนานคล้ายๆเหมือนกับยุงหรือปิงนะมาเกาะเราเราไม่รู้ตัวเขาก็กินจนอิ่มแล้วเ็าก็ไปแต่ถ้ายุงมากัดเราปุ๊บเรารู้ตัวปับ๊บเราปัดต้อาออกนะมันก็กินเราได้นิดนึง่งปิงก็เหมือนกันหรือทาก็เหมือนเกาะนิดนึงเรารู้แล้วนะแล้วก็ดึงเขาออกมันก็ มันก็ทำลายเราได้นิดหน่อยนะอันนี้ก็เหมือนกันสติเองก็เหมือนกันกิเลสมันมาเกาะใจคําว่าเกาะใจเขาใช่ไหมนะใจก็อันหนึ่งนะกิเลสมันก็มาเกาะอีกอันหนึ่งคล้ายๆเหมือนเหมือนยุงหรือเหมือนพ่างนั่นแหละมันมาเกาะตัวเรานะมันก็เป็นคนละอันกันแต่พอเราไม่รู้มันก็เลยติดกันนะมันก็เลยดูดเลือดของเราไป พอเราไม่รู้เองเราก็เลยเกิดคิดว่าเราโกรธคิดว่าเราเครียดคิดว่าเราทุกข์นะแต่แท้จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่อากการพอเรารู้ทันมันก็มันก็จบไปมันก็่บไปนะก็ดูแบบนี้ไปเรื่อยนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยมันจะเห็นเป็นเพียงแค่อักการเห็นเป็นเพียงแค่อากการที่มันไม่เที่ยงนะอะไรก็ไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนไปตรงมันเรื่อยนะเห็นเป็นเพียงแค่อากการที่มนเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะรูปหรือนางก็เป็นทุกข์เห็นจียงแค่อาการว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเนียธรรมะจริงๆอยู่ตรงนี้นะคือเห็นใจรักถ้าเราไม่เข้าใจใจรักเราก็ยังทุกข์เพราะอะไรเราไม่เข้าใจคำว่าทุกข์เราก็อยากให้มันสุขอะใช่ไม เราเราก็จะคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วอยากให้มันสุขตลอดนะหรือชีวิตนี้อยากจะมีแต่ความสุขตลอดแต่ที่จริงมันคือความทุกข์นะนะที่จริงทุกอย่างมันคือความทุกข์แต่มันเป็นความสุขคนละแบบนะนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นสุขเพราะความไม่ทุกข์ไม่ใช่สุขแบบไม่ใช่สุขแบบสนุกสนานนะสุขที่มันไม่ทุกข์มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะ หรือบางทีเราปฏิบัติธรรมเราอยากให้มันเที่ยงเที่ยงแบบไหนอ่าวันนี้ปฏิบัติดีนะไม่ง่วงนอนอเราก็อยากให้มันดีแบบนี้ไม่ง่วงแบบนี้นะ <í> ใช่ไหมเพราะะไรเราอยากให้มันเที่ยงอ่ตอนนี้มันไม่ฟุ้งซ่านเราก็ปฏิบัติอยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านบางคนก็เลยเบียข่มความคิดข่มอารมณ์นะเราอยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านคือเราอยากให้มันเที่ยง อะไรที่ดีเราอยากให้เที่ยมอ่าอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากเอานะอันนี้คือคําว่าเราเนี่ยเขาไปจัดการเนาะอ่าแต่ภาวนาจริงๆคือการไม่จัดการไม่ทําอะไรเลย <c ười> คําว่าไม่ทําอะไรเลยนี่คือแค่ดูเฉยๆนะแต่ถ้าคนยังดูเฉยๆไม่ได้ก็ต้องก็ต้องตั้งสติขึ้นมาก่อนนะแหละนะอะ เพราะว่าจะไม่ทำเลยมันก็ยังไม่ใช่วิสัยนะแต่แรกๆมันเหมือนสร้างต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจมีเจตนาขึ้นมาแต่ถ้าคนที่ฝึกใหม่มาฝึกเก่าๆขึ้นมาแล้วอยากให้พยายามลดเจตนาลงนะคือลดความตั้งใจที่จะรู้ให้มันน้อยลงให้มันรู้แบบธรรมชาติรู้แบบสบาย รู้แบบเล่นๆไม่ต้องแบบจงใจมากหลงไปก็ไม่เป็นไรหลงไปก็ก็ก็รู้ว่าหลงแต่พเพระเรียนท่นพูดนะยิ่งคิดมากก็ยิ่งดูมากแต่แต่ก่อนถ้าเราไม่มีสติเลยนะยิ่งคิดมากก็ยิ่งไม่รู้มากก็อะไรเราก็หลงไปกับความคิดแต่พอมีสติมันสนุกมันคิดปุ๊บดูปับ๊บคิดปุ๊บ รู้ปั๊บคิดปุด๊บรู้ปั๊บเนี่ยคือส ต, ติเกิดเกิดปุด๊บปั๊บดาบความคิดเลยนะเ <c oughs> นี่ยก็เลยมันส่วนพ่อเดียยก็เลยบอกว่าเนี่ยพอเรามีส ต, ติจริงๆยิ่งคิดมันก็ยิ่งรู้นะรู้ว่าอะไรรู้ว่าความคิดไม่ใช่เรารู้ว่าความคิดมันเกิดมันดับนะรู้ว่าความคิดเนี่ยมัน ไม่สามารถทาอะไรจิตใจได้เนี่ยมันจะรู้แบบนี้ น, นะมันก็เห็นไปเห็นไปเรื่อยจนสุดท้ายนะปัญญาันก็เห็นนะนะถ้าถึงวันหนึ่งนะที่เราเข้าใจที่จริงก็เข้าใจตั้งแต่ก่อนจะตายก็ได้นะแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราเห็นความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายมันเข้ามาเยือนใช่ไหมมันก็จะเห็นว่าใครที่ตายมันไม่ใช่เรา มันเป็นร่างกายเฉยๆหรือคนที่เรารักก็เหมือนกันที่เขาตายมันก็ไม่ใช่เขาจริงๆหรอกมันก็เป็นเพียงแค่ธาตุแค่ขันที่เขาที่เขาแตกดับไปตามสภาวะพอเราเห็นรูปตามความเป็นจริงเนา ะ, นะเราก็ไม่ยึดในรูปนั้ น, นว่าเป็นเราเป็นเขานะนะรวมทั้เป็นเราก็เป็นเขาบางทีเราก็ทุกเพราะเขา แต่ถ้าเราเห็นการความเป็นจริงแล้วเราก็มีทุกเรื่องรูปรวมทั้งเรื่องนามก็เหมือนกันน ะ, ะหลายคนเป็นนักปฏิบัติธรรมจะกังวลงใจกลัวตายไม่ดีกลัวตายไม่สงบกลัวตายขาดสติแต่ความกลัวไม่ได้ช่วยให้ตายดีน ะ, ะ, ะ, ะเราต้องเตรียมพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมเรา ปรารถนาจะตายดีตายสงบมันก็ต้องทำเหตุนะคาว่าเตรียมพ้องคือทำเหตุทำเหตุในตอนนี้ก็คือนี่แหละฝึกสติแล้วก็เห็นเห็นนะเห็นรูปเห็นนามว่ามันไม่ใช่เราเนะ่ะเห็นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะที่จิตนะที่จิตมันมันแยกจากรูปนะก็คือก็ เกิดรูปมันแตกตับไปเนาะจิตมันก็ไม่ยึดมั่นในรูปแล้วนะมันก็มีเพียงแค่จิตล้นลวนๆธรรมดานะมันไม่มีรูปให้เกาะแล้วมันก็สลายไปตามธรรมชาติของของจิตนั้นนะถ้าถึงที่สุดก็คือมันก็สลายกลับไปสู่ธรรมชาติที่แท้จริงนะไม่กลับมาเกิดอนะีกแต่พอแต่เพราะว่าถ้าใครไม่รู้ความจริงเนาะนะ มันก็อาจจะยังมีห่วงการมีห่วงนั้นก็ทำให้เกิดไปในภพที่เขาห่วงหรือจิตที่มันไม่ปกติไม่ว่าจะสุขก็ดีหรือทุกข์ก็ดีมันก็ จ, จะเป็นภพที่ทาให้เขาไปเกิดในภพใหม่เพราะว่ามันยังมีไล้มีมีเชื้อน ะ, นะมีเชื้อเหมือนไข้มเมลดพันธุ์มันยังมีเชื้ออยู่เอาไปเพาะมันก็ต้องเกิด ต้ใหม่แต่ถ้าข้าวสมมติเก็บไว้ติดปีนะเอาเอา ไ, อาไปปลูกนะข้าวเปือกเก็บไว้ติดปีเอาไปลูกปลูกไม่ขึ้นนะมันไม่มีเชื้อแล้วออันนี้คือมันหมดเชือ้อคือตรงนั้นคนะือเราก็หมดเชื้อในการที่จิตมันกลับมาเป็นปกตินี่นแหละนะมันก็เกิดการปล่อยการวางธาตขันได้นะมันจะค่อยค่อยสุบแยกไปแยกไปเรื่อย เริ่มจากการแยกรูปแยกนามนะเริ่มจากการเห็นนะเราก็ต่อไปก็แยกธาตุแยกขันธนะ์แยกขันธ์มันเป็นเพียงแค่อาการของขันธ์ต่างๆนะเห็นไนะตรักษณตามความเป็นจริงเห็นอันนี้เป็นสมมุติอะไรคือปรามัติ์ที่แท้จริงนะเราก็จะเข้าใจนะถ้าเข้าใจปรามัติ์ก็เข้าสู่โสกุตรธรรมนะถ้ายังไม่เข้าใจปรามัติ์ก็ยัง เป็นโลกียธรรมอยู่นะอันนี้คือมันก็ค่อยๆไปตามลําดับมาเป็นทางที่ถ้าเราเดินนะมันก็จะเจอตรงนี้นะแต่ถ้าเราคิดมันก็ไม่เข้าใจนะเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยลําดับตานํำตำนำตำนําไปแล้วก็ค่อยๆเจอกับคีรัตภาวะเราจะเราจะแน่ใจได้จากตรงไหนก็แน่ใจจากเมื่อเรากดปุบมันก็จะรู้เองนะ ปัญญาจะบอก อ, อื๋ออะไรประมาณนะั่นนะอาจจะไม่ได้เป็นภาษาอะไรมากมายแต่มันจะรู้ได้ตัวเองว่าสภาวะแบบนี้มันเดินทางถูกทางอยู่น ะ, ะแต่ถ้าเ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยจะไม่ใช่นะออเ๊ะเใช่หรือเปล่าสงสัยไม่แน่ใจอไม่แน่ใจต้องถามครูบาอาจารย์เนี่ยแสดงว่ายังไม่ใช่ละมันยังเป็นการคิดเอยูอ่แต่ถ้าอืม อ๋อ oh, ไม่ต้องถามแล้วนะแน่ใจแล้วนะแต่ว่าถูกนะแต่ถ้ายางเอกะอ่าไม่แน่ใจนะยังต้องคลายก็ยังก็ไม่เป็นไรก็ทำใหม่ <c oughs> ก็ทาใหม่นะอันนี้คือทางที่ที่นักปฏิบัตนะิต้องเดินแต่มันคิดไม่ได้แต่มันเดินได้นะถ้าเราปรารถนาจะมีชีวิตที่ที่ทุกข์น้อยนนะ หรือว่าค้นทุกข์เราก็ต้องทำสิ่งนี้นะถ้าเราปัถนาที่จะตายดีนะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นะเพราะว่าการเกิดทุกข์าวก็เป็นทุกข์รำไปเนาะเอาง่ายถ้าคิดจริงๆนะถ้าเราตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เนะี่ยโอ้เกิดในกรุงเทพนี่เป็นไงวุ่นวายนะเกิดในเมืองจีนก็วุ่นวายเกิดที่อเมริกาก็วุ่นวายเนะออไปเกิดในป่าในเขาก็ ลำบากอีกแบบเหมือนกันเอาง่ายๆถ้าเกิดเป็นคนถ้าเกิดเป็นสัตว์อะยิ่งหนักกว่านี้ใช่ไหมนี่ดังนั้นการไม่เกิดเป็นดีที่สุดแต่บางคนที่ว่าท่านอยจะเกิดดีๆนะเราเกิดเป็นคนรวยเราก็ต้องเจอโรคติดเหมือนกันนั่นแหละเราเกิดเป็นคนรวยแล้วก็ต้องเจอแบบความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันนั่นแหละในั้นม เ้าเกิดเป็นคนเก่งก็ต้องเจอปัญหาในการทํางานเหมือนกันนั่นแหละนะมันก็มีมีคนเพราะนั้นการไม่เกิดจริงดีที่สุด ก, ก็มันมันดับไปนะ น, นี้่คือคือชารพุทธเราปฏิบัติเพื่อตรง น, นี้แต่ไม่ใช่เป็นการอยากเจอปัญหาแต่เป็นการทําเหตนะุภาวนาคือการทําเหตุนะทําเหตุถูกมันก็ย่อมได้รับผลนะ ตามเหตุตามปัจจัยที่เราทํานั่นแหละเนาะ ก, ก็ก็าปากไว้